คือคนที่เคยมีทรัพย์เนี่ยนะถ้าเสียพนันเนี่ยโอ้โหพวกนี้ทุกข์มากเลยเนี่ยมันหมดแบบอะไรเนี่ยมันไปเที่ยวหมดมันค่อยยังชั่วมันยังได้เล่นได้เที่ยวอะไรบา้างนะยังสนุกสนานยังได้ร้องรําทำเพลงบ้างก็หมดแล้วก็ยยังชั่วหน่อยแต่ไอ้พวกพนันหมดเนี่ยมันหมดไปต่อหน้าต่อตาเลยเนียมันยื่นให้เขาแบบไม่ได้อะไรกลับมาเลยเนี่ยพวกนี้โธมันัดมากถ้าถ้าเสียทรัพย์เพราะอย่างนั้นนะหรืออีกเห็นอย่างหนึ่งพวกมีบ้านแล้วบ้านถูกไฟไหม้เนี่โอ้พวกที่ไม่ได้ทําปริญญาอะไรเนี่ยร้อง ร้องจริงๆเลยนะมีอยู่ครั้งหนึ่งไปบินทบาทอยู่ที่หนึ่งแก๊สมันมันรั่วนะ้ไฟมันลุกเพลิบมาเนี่ยร้องอันงงหมดเลยแต่ว่าดับทัน น, นะถ้าดับไม่ทันอะไรจะเกิดขึ้นอย่างพวกน้ำท่วมทั้งหลายเนี่ยนะทรัพย์สินเสียหายไปเนี่ยก็ถามว่าเจ้าของเนี่ยทุกข์ขนาดไหนนะแล้วก็อยู่ฝนกลางคืนมาใช่ไหยหลังคามันหายไปหมดเลยเหลือแต่ตัวบ้านเนี่ยนะ โอ้จะจะเดือดร้อนใจขนาดไหนเนี่ยนะจะลําบากใจขนาดไหนก็ดูนะว่าผู้ที่เสื่อมโพคาด น, นะจะด้วยเหตุผลใดก็ตามจะทำธุรกิจแล้วล่มจมเสียหายไปเนี่ยพวกนี้ก็เดือดร้อนทั้งนั้นทุกมากมากเลยแหละหรือไม่ก็กลับไปแล้วไม่เห็นรถจอดที่เดิมเนี่ยนะโสมนัตไหมแค่ไม่เห็นกุญแจนี่ยังลําบากใจเลยนะจะไปกล่าวไปยัยถึงตัวรถหายจริงๆอ่ะนะอันนี้นก็จะด้วยโจรภัยเนี่ยนะถ้าที่กรุงเทพเนี่ย ได้ยินบ่อยมากเลยรถหายนะรถหายเนี่ยปกติเลยนะเจ้าของเนี่ยโหสะอื้นเลยนะบางทีก็ใช้งวดยังไม่หมดเลยใช่ไหมผ่อนรถยังไม่เสร็จเลยรถหายไปแล้วอย่างเงี้ยนะเสื่อมโพคานะจะได้เสริมด้วยสตังหายก็ตามนะมีอยู่ครั้งหนึ่งโยมเข้าไปที่วัดก็ไปวางสตังไว้ท่าไหนไม่รู้หายออ้ยหัวร้องให้นะแล้วเงินคนอื่นฝากเข้ามาด้วยนะมาเองของตัวด้วยนะเงินคนอื่นเขาฝากมาด้วยแล้วมันหายอะ่ะ อุ้ยแกเสียใจมากเลยนะแล้วมีคนเก็บได้ไปคืนให้อู้แกดีใจมากเลยนะโอ้โอมเสียใจจริงๆเลยนะท่าท่าทรัพย์สินมันหายนะเสียทรัพย์เสียสินเสียข้าวเสียของเลยนะก็แต่ละคนในห้องเราก็มีประสบะการณ์กันทั้งนั้นนะนะที่เสียทรัพย์แล้วเดือดร้อนใจอ่นะก็ต้ใูแลว ทีนถ้าของเหล่านั้นมันหายไปใช่ไหมบางคนเนี่ยถ้าถ้าปริมาณนั้นมันมันมันมีความสําคัญมากต่อชีวิตและหน้าที่การงานเนี่ยนะไอ้ของสิ่งนั้นมันหายไปเนี่ยน้ำลายนี่แห้งผากเลยนะกลืนไม่ลงเลยนะมันโศกะมันโทมนัดมากๆเลยแหละอย่างที่พู้การว่าเมื่อกี้นะเล่นกีฬาแล้วแพ้กลับมาอย่างเง้ย น, นะแล้วมันมีไอ้ ก, กีฬาประเภทหนึ่งด้วยนะมันอย่างแถว้าอีสานนี่มีค่อนข้างเยอะตอนนี้คือแข่งบอลเป็นการแข่งแบบ ลงขัน่ะลงขันพนันกันจริงๆเลยแหละเพราะว่ามันฟุตบอลก็แพ้กลับมาใช่ไหมสตังก็หมดไป <c oughs> พวกนี้โอ้น้ำตาซึมกลับบ้านกันหมดนะวันหลังมาเก็บตังใหม่แล้วไปแข่งต่ออีกนะพวกท โ, ทโทรมันนัดมากๆเลยพวกนี้กลืนน้ำลายไม่ค่อยลงแล้วนะคอแห้งมากเลยอ่ะถ้า ทำไมเด็ ก, ดกๆอ่สังเกตดูเวลาเราไปเล่นเล่นไพ่เอาหนังยืดอ่ะนะวันไหนหมดหนังยืดไปร้อยเส้นเนี่ยโอ้เสียใจมากเลยนะโธมนัดมากเลยอหนังยืดรัดผมรัดอะไรเนี่ยโอยเสียใจมากเลยนะไปหมดไปตั้งร้อยอ่ะเสียไปร้อยเส้นนะมือมันลดไปเยื่อ่ะอนั่นแหล ะ, ยยะหมดตัวเลยนะหมดหนังยืดกลับบ้านตัวเบาหิวเลยอ่ะชนะก่อเวนะ่ะชนะก่อ ทีนี้เสื่อมเพราะโรคกก น, นะเสื่อมเพราะโรคเช่นโรคเนี่ยย่อมยังความไม่มีโรคให้พลากไปใช่ไหมคนที่มุ่งหวังกับร่างกายมากๆเลยนะถ้าสุขภาพเสียไปเนี่ยนะอะไรจะเกิดขึ้นมีความหวังในชีวิตมากๆเลยแล้วไปตรวจบอกว่ามีมะเร็งอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยนะโครงการระยะยาวเลยไปตรวจว่ามีเชื้ออย่างเงี้ยนะมีเชื้อบางอย่างกันนะที่ฟังแล้วหมาไม่อยากรู้ผลเล ย, ยง คนนี้อันนี้แค่แค่ตรวจเจอนะยังยังเดือดร้อนทุกขนาดนั้นเลยนะดางเกสุดาที่ไปตรวจว่าอะไรนั้นมีน้ำ่ะแล้วเป็นยังไงตอนนั้นโสมนัดหรือโทมนัดอันนั้นตอนนั้นโทมนัดมากพอสมควรไหมนะ <c oughs> <c oughs> พอรู้ว่าไม่เป็นก็เออดีใจมากเลยนะก็ <c oughs> แต่ละคนถ้ามีประสบะการณ์เนี่ยนะคุณบุญชูตกใจไหมตอนนี้หัวใจมันไม่ค่อยจัดเต้นอะ อชักมันบ่อยเข้ากันเลยชักทำใจได้แล้วนะมาอยู่ได้ตั้งหลายคราวแล้วเนี่ยนะดีแล้วมันเตือนบ้างอ่ะน ะ, น ว, ะ ว, ว่าไอความกลัวมันเป็นยังไงนะก็ใช่ก็เท่าที่เห็นเห็นเนี่ยนะผู้ที่โรคภัยไข้เจ็บเปียดเบียนเนี่ยนะถ้าถ้าโรคนั้นมันอาจจะถึงตายจริงเนี่ยนะที่เรียกว่า แมวโน้มไปตายมันชัดมากๆเลยนะไอ้โรคอันนั้นเนี่ยจะเสียใจเป็นอย่างมากหรือแม้กระทั่งหวัดก็ตามเนี่ยนะมีงานที่สําคัญๆบางอย่างจะไปทำใช่ไหยแล้วหวัดมันเป็นหวัดซะก่อนเนี่ยนะก็ไม่ใช่เสียใจธรรมดาใช่ไหมมันเหตุบางอย่างมันสําคัญมากนะสมมติอ้าวถ้าเราเป็นนักกีฬาเนี่ยจะไปแข่งนัดสําคัญมากเลยป่วยซะก่อนเนี่ยนะป่วยก็ไม่ได้เป็นอะไรมากเป็นเพราะแค่แข่งไม่ได้กันนั่นนะอันนั้นก็เสียใจไม่ใช่น้อย มันเสริมเพราะโรคเนี่ยแต่ละแห่งแต่ละแห่งก็ดูนะบอกว่าคนไข้หลายคนก็ไปตรวจโรค ก, ก็ไม่อยากรู้เท่าไหร่ใช่ไหมไม่รู้ไปตรวจทำอะไรเหมือนกั น, นนะก็คือที่เสียใจอ่นะที่คนป่วยเขาเสียใจอย่างหนึ่งเพราะว่าถ้าเสียป่วยแล้วหมายถึงเสียทรัพย์ด้วยใช่ไหมเพราะว่าโรคฆาพยาศนะเนี่ยนะโรคเกิดขึ้นเนี่ยไม่ได้หมดแค่แค่ป่วยร่างกายหมดอย่างเดียวแต่หมายถึง หมดซับด้วยแล้วยิ่งพวกพวกอะไรนะที่คุณหมอเล่าให้ฟังบ่อยๆว่าคนไข้ที่เป็นโรคมะเร็งเนี่ยนะถ้าเป็นคนฐานะไม่ดีเนี่ยจะต้องมารักษาพ่อแม่ที่เป็นโรคมะเร็งเนี่ยนะเขาทําอะไรมาที่ที่จะได้ค่ารักษาสมมุติถ้าเป็นเมื่อก่อนเลยนะที่เรียกว่ารักค่ารักษาเป็นหมื่นเนี่ยนะห ล, ลายหมื่นเนี่ยทำไงก็จำนองนาะหากรูไม่ได้ก็ขายนาะเป็นต้นเนี่ยนะก็ขายที่ขายทางขายเพื่อที่จะมา จะมารักษาใช่ไหมรักษาแค่ไหนก็ไม่เห็นเหลือเลยเขาค่อยทยอยตายไปเรื่อยอยู่แล้วนะแต่ว่าตายพร้อมกับหมดตัวเนี่ยนะมันพวกโรคเนี่ยมันพาลหลายๆคนที่เก็บสตังค์อยู่ทุกวันเนี่ยนะประหยัดเก็บอมเหลือเกินเนี่ยเพื่อจะได้ไปใช้วันมันป่วย <c oughs> สําคัญยังไงวันนั้นนะนะยิ่งใหญ่จริงๆเลยนะเก็บเอาไว้ใช้วันนั้นนะเผื่อป่วยเผื่อทุกข์เผื่อยากจะได้เอามาใช่แบบนั้นนะฮะเก็บ ทีนี้ถ้าอันนี้คือเป็นพวกธรรมชาติของชาวบ้านชาวเมืองทั่วๆไปนั่นนะอันนี้ปกติของชาวโลกเลยว่าเสื่อมญาติกว่าเสียใจเสื่อมทรัพย์กว่าเสียใจป่วยไข้ก็ลําบากใจทีนี้พวกพวกลึกลงละเอียดเข้ามาอีกพวกนี้จะถ้าเสียศีลแล้วเสียใจมากานะ <S <S ก็วันไหนที่ศีลขาดดูเหอะนั่นนะถ้าใครรักษาศีลมานานๆเลยนะี่รักษามาเป็นอาจินมาเนิ่นนานเต็มทีแล้วลองขาดสักวันหนึ่งเหอะ ขาดแค่ครั้งเดียวนะวันนั้นเนี่ยนอนไม่หลับหรอกอพระบางรูปเนี่ยร้องไห้เลยเนะี่ยพอพอขาดศีลบางข้อเนี่ยแต่มันถึงมันทำคืนได้นะแต่ว่าหมมันเสียใจมากเลยนยะร้องไห้เลยอนะ่ะหรืออย่างสมัยพุทธกาลเนี่ยบางคนเนี่ยเป็นโรคผอมเหลืองเลยเนะี่ยความผิดพลาดที่ตัวเองไปไ ป, ไปล่วงศีลบางอย่างขึ้นมาเนี่ยเป็นโรคผอมเหลืองเลยเนะี่ยเยียวยาทางใจลำบากบางคนก็นอนไม่หลับทั้งคืนเลยพ ไปล่วงศีลบางอยา่างแม้กระทั่งเราเราเราทั้งหลายเนี่ยถ้าล่วงอกุศลกรรมบทมาสักข้อหนึ่งถามว่าเราจะสบายใจไหมเนี่ยนะก็โหทุกโทมนัดมากๆเลยฉั้นเสียศีลเนี่ยเป็นเรื่องที่ที่เขาเสียใจกันมากเลยเนะโดยเฉพาะคนที่พอมีกรร ม, มสกตาเนี่ยถ้าศีลขาดเมื่อใดหมายถึงความเสียหายต่างๆที่นึกเข้ามาก็อย่างพระนางมริกาเนี่ยนะแก แกไปมุสาวาทหลอกพระเจ้าเประเสซนที่โกศลเนี่ยนะแกเสียใจจนตายเลยนะบอกกูเนี่ยพระพุทธเจ้าก็รู้นะเนี่ยภาษาลีบุตรเป็นต้นท่านก็รู้นะเนี่ยว่าเรามุสาวอย่างนี้ยนะเสียใจจนตายตายแล้วก็ตกนรกนะมันมันเสียศีลนะ่ะที่ไปหลอกพระราชาคือพระราชาแกไม่ค่อยฉลาดอะนะปฏิภาณแกไม่ค่อยดีเพราะนางมริกาก็หลอกเอาหลอกเอาเนี่ย แต่แล้วก็พอหลอกปั๊บเอ็ น, นึกเลยนี่นะเราพระพุทธเจ้าก็รู้นะว่าเราหลอกพระราชาพระอารหันต์สมัยนั้นเจโตปริยายานกันเยอะนี่คือเจโตปริยายานนี่มันมีข้อแม่งี้ว่าถ้าดูวราระจิตพั๊บเนี่ยนะรู้จิตนะอดีตเจดวันที่แล้วเนี่ยเขาคิดอะไรมาบ้างระวังนั้น <c oughs> เขาไปพูดอะไรมาเขาไปคิดอย่างไรมาเนี่ยจะมองออกทั้งหมดเนี่ยนะเพราะฉะนั้นโอ้โหมันเสียใจมากเลยนะโอ้คนโน้นก็รู้นี่คนนี้ก็รู้นี่รู้ว่าเรามันไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้นก็เลย ยิ่งเสียใจเข้าเสียใจเข้าแล้วคนที่เสียใจมันเป็นอย่างนี้นยะไม่ได้ขาทางคิดให้สบายใจขึ้นเลยนะโดยมากอะ่ะคิดยังไงจะเสียใจมากขึ้นมากขึ้นนหะสังเกตไหมถ้าเราไม่สบายใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนะเราจะไปหาเรื่องอื่นให้มันลามให้มันเสียใจมากขึ้นมากขึ้นนานขึ้นหนักขึ้นมากขึ้นนหนะหรือปุการคิดไหมจะรีบดับให้มันเร็วที่สุดอย่างนั้นหรือ่าหาเหตุผลมาต้องเออดีแล้วที่เสียใจนะมันเป็นชอบธรรม มีเหตุมีผลนะที่แกเสียใจถูกต้องแล้วอันนั้นน่าเสียใจนะกระดมมาจนนั่นะเครียดได้เท่าไหรย่ยิ่งดีว่างั้นถามว่าทำไมจึงเป็นอย่างนั้นรู้ไหมบอกโทสะนี่มันมีฉันทะเกิดร่วมด้วยเสียใจมากไปหาหมอโรคจิตยาิเขามีอยู่ไม่กี่คนหรอมั <c> ้ง <oughs> แนะนำวิธีนั่นอยู่วิธีเดียวอะ่ะ นั่งเศ้ายกินยาหายก็มียาให้กินกินแกเศร้ายังมีหมอโลกินนีรักษาโรคแปลกก็ไม่ต้องมาเรียนแล้วอริยสัจมันไปเรียนที่สวนปรุงเอาแล้วกันนก็ไอความทุศีนเนี่ยนะถ้าคนฮิริอุตปาดีดีเนี่ยถ้าเสียศีนเนี่ยเสียใจเอามากเลยนะแต่ถ้าใครที่ไม่เคยเป็นก็ไม่รู้หรอกแต่ถ้าคนที่เคยรักษาศีลมาแล้วไปล่วงบางอย่างเนี่ยนะแค่ไปพูดบางอย่างเนี่ยแล้วก็โอ้เดือดร้อนใจมากแล้วล่ะ นนะก็กายกรรมวัจจีกรรมที่ที่ล่วงอกุศลออกไปเนี่ยนะเป็นที่ตั้งแห่งความเสียใจไม่ใช่น้อยคุณมุชูเคยไม่นอนไม่หลับเลยปเป็นนะ<ป>ถ้าเกิดไปล่วงศีลข้อใดข้อหนึ่งขึ้นมาเนี่ยนะ<ป>ก็เช่นวโดยมากกว่าวัจจีนั่นแหละพวกเราๆทั้งหลายเนี่ยนะถ้าอยู่ในเงี้ยก็วัจจีนั่นแหละ <c oughs> ไปพูดบางคำมาก็ร้อนผางนอนไม่หลับตั้งคืนนั่นแหละน ระวังระวังเอาละกันเพราะว่าความทุศีลหรือศีลขาดมันเป็นที่ตั้งแห่งโทมนัทมากๆเลยนะโศกกะเนี่ยเกิดมากเลยแหละส่วนความเสื่อมคือทิฐิเนี่ยนะสัมมาทิฏฐิพินาฏเชื่อว่าทิฐิพยศนะเช่นว่าคนที่เคยฉลาดและความฉลาดมันลดลงไปเนี่ยนะเคยใช้ปัญญาได้อะไรนะเคยมีสติปัญญาคิดอะไรก็คิดออกหมดนะนะตอนคิดไม่ออกอะไรเลยสักอย่างเดียวอะไรจะเกิดขึ้น มียอมคนหนึ่งนะก็ เ, เคยท่องธรรมะจาคําสอนได้เยอะมากตอนหลังมันจําไม่ได้อ่ะพราะจำไม่ได้แกเสียใจมากเลยนะยเสียใจมากมันจําไม่ได้อ่ะมันมันเคยนึกออกอะไรก็นึกออกทะลุ ป, ปูโปรงไปหมดแล้วมันนึกไม่ได้อะนะผู้เสียใจมากเลยะนะเครียดไม่ใช่น้อยเลยนะมันสูญเสียสติปัญญาออกไปเลยนะมันถามว่าจะเสียใจขนาดไหนอย่างคนเคยเก่งด้วยนะพวกนี้จะทุกข์มากมากเลย อย่างตอนที่ช่วงเป็นถ้าใครที่เป็นอมภพิกอมภพาดแล้วนะถามว่าพอเป็นมาแล้วเนี่ยมันนึกถึงไอ้ความที่เคยกระปีีกระเป๋าคิดอะไรก็ออกเข้าใจไปหมดเลยนะแล้วนึกไม่ออกนี่อะไรจะเกิดขึ้นคำว่าเสื่อมทิฏฐิเนี่ยรวมความไปถึงฌานด้วยนะถ้าฌานเสื่อมอะไรจะเกิด น, นะเคยเหาะได้แล้วฌานมันเสื่อมไปเนี่ยนะเพราะคำว่าสัมมาทิฏฐิเนี่ยมันมีกรรมสกตาสัมมาทิฏฐิฌานสัมมาทิฏฐิ วิปัสนาสัมมาทิฏฐิถ้าพวกสมาธิเหล่านั้นสัมมาทิธฐิเหล่านั้นเสื่อมไปเนี่ยนะหรือแปล ร, รวมรวมวัคกุโสลธรรมเสื่อมไปส ม, มถาวิปัสนาเสื่อมไปเนี่ยจะเสียใจยขนาดไหนเจริญไม่ได้เคยเจริญเรียกว่าคนเคยได้ฌานแล้วมันเข้าฌานไม่ได้เนี่ยนะจะโทมนัสขนาดไหนเสียใจยเป็นอย่างมาก นั้นใครที่เจริญวิปัสนาได้เยอะๆแล้ววิปัสนาไม่ค่อยเจริญหรือเจริญไม่ได้จะด้วยเหตุผลใดก็ตามเนี่ยก็ถือว่าเป็นความความเสื่อมนะก็เสียใจเป็นอย่างมากหรืออย่างหนึ่งถ้ า, เ, าเคยเป็นมิจฉาทิฐิแล้วก็ระลึกถึงไอ้มิจฉาทิฐิที่เคยเป็นก็ก็เสียใจอย่างเหมือนกั น, นไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เสียใจเนี่ยนะเคยสมาทานมิจฉาทิฐิประพฤตในมิจฉาทิฐิก็ระลึกถึงโทษของมิจฉาทิฐิก็โทมนัสขึ้น พราโศกะทั้งหลายเนี่ยเกิดจากความสูญเสียทางทิฏฐิปัญกุศลปัญญาที่จะพอจะเกิดได้ก็ไม่ยอมเกิดหรืออกุศลทั้งหลายที่มันเกิดก็เป็นที่ตั้งแห่งความเสียใจหรือโศกะเศร้าโศกเนี่ยนะเศร้าโศกก็เพราะสูญเสียนะพวกนี้เป็นกลุ่มวิปโยคทุกข์ส่วนใหญ่นะพวกนี้วิปโยคทุกข์คือทุกข์เพราะพลาดท่าจากญาติใช่ไหมเสียญาติไปก็เรียกวิปโยคทุกอย่างหนึ่ง เสื่อมทรัพย์ก็วิปรโยคทุกเสื่อมโรคก็วิปรโยคทุกอะนะก็คือโรคมันเกิดโรคเกิดนี่มันสัมปรโยกนะสัมปรโยคกับโรควิปรโยคกับความสบายจากความสบายไปแล้วก็ประจวบ ก, กับสิ่งที่ไม่สบายศีลก็วิปรโยคศีลสัมปรโยคกับความทุศีลอะนะสัมมาทิฏฐิหมดไปเต็มไปด้วย ปัญญาที่ไม่เกิดอ่ะนะวิปโยคจากสัมมาทิฏฐิวิปโยคจากปัญญาก็ทุกข์ถ้าเปรียบแล้วเนี่ยนะความทุกข์ทั้งมวลเหล่านี้ก็ยล้วนอยู่ในโลกกรรมฝ่ายร้ายนี่นะความทุกข์เหล่านี้นีก็ถ้าว่าถ้ามองแบบความเสื่อมลาบเสื่อมยศถูกนินทาได้รับความทุกข์อ่ะนะเช่นพวกกลุ่มเสื่อมญาติพวกเสื่อมญาตินี่ก็คือเสื่อมยศนั่นเองเพราะญาติเนี่ยนับเป็นยศอย่างหนึ่งเหมือนกันคนมีญาติมากก็ชื่อว่า มียศมากเพราะญาตินี่ก็นับเนื่องในในยศถ้าเสื่อมเสื่อมลาบอา่ะขออภัยเสื่อมโพค้าก็คือเสื่อมลาบนั่นเองนะโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนก็ความทุกข์เนี่ยเกิดขึ้นนะเสืส่อมศีลเสื่อมทิฏฐิก็เป็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นเหมือนกันนะทุกข์ทางใจอ่ะนะทุกข์ทางใจอ่ะถ้าเสื่อมเสื่อมโรคเนี่ยทุกข์ทางกาย ถ้าเสื่อมศีลเสื่อมทิฏฐินี่เป็นความทุกข์ทางใจก็เป็นโลกกระทำฝ่ายไม่ดีอนะนียพวกนี้ก็เป็นทุกขสัตว์เนี่ยนะทุกข์สัตว์ตรงๆเลยนะตัวมันเองก็เป็นทุกข์แล้วก็เป็นที่ตั้งแห่งทุกข์เนี่ยนะนะก็ใครที่เคยเสียสตังค์ออกไปเนะี่ยนะโห้ยเก็บมาคิดอยู่นาะเนี่ยนะไม่เลิกคิดสักทีหนึ่งวิเคราะห์แล้ววิเคราะห์อีกคิดทบทวนแล้วทบทวนอีกก็อยู่นั่นแหละ เขาบอกว่าความเสื่อมสามอย่างแรกเนี่ยนะคือเสื่อมญาตเสื่อมทรัพย์เนี่ยพวกนี้ก็เป็นธรรมชาติ น, นะนะจริงเพราะว่าญาตทั้งหลายที่เกิดมาแล้วเนี่ยที่ไม่ตายเป็นต้นเนี่ยมีไหมไม่มีมันก็เป็นธรรมดาเนะีเสื่อมทรัพย์ก็เป็นของธรรมดานะถ้าเงื่อนไขก็บอกว่าถ้าเราไม่เสื่อมจากทรัพย์ทรัพย์มันก็เสื่อมไปจากเรา ก็ดูว่าอะไรจะเสื่อมก่อนกันเท่านั้นเองเนะแต่ว่ามันต้องเสื่อมอยู่แล้วล่ะไม่อย่างหนึ่งก็อย่างหนึ่งนะถ้าเขาไม่จากเราเราก็จากเขาเหมือนกับคู่ครองทั้งหลายเนี่ยถ้าเราไม่ตายจากเขาเขาก็ตายจากเรานะ <ou> ถ้าเขาไม่ไปจากเราเราก็ไปจากเขามันก็มีอยู่เท่านั้นเลยเพราะว่าสังขารทั้งหลายเนี่ยที่ประชุมขึ้นแล้วมันเที่ยงไม่มีรองพันพวกที่เสื่อมญาติหรือเสื่อมโพค่าเสื่อมอะไรก็ตามพวกนี้ก็ถือเป็นเรื่องธรรมดานะแต่ว่าเป็นธรรมดาที่รับไม่ค่อยได้ ส่วนพวกโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยนะพวกนี้ก็กล่าวถึงความไม่เที่ยงเหมือนกันกล่าวถึงธรรมดาของของสังขารธรรมเหล่านั้นส่วนความเสื่อมสามอย่างนะเสื่อมด้วยญาติโภคะโร ค, โรคพวกนี้เป็นอพยากตะนะเป็นอพยากตะสภาวะจริงๆเขาเป็นอพยากตะแต่เสื่อมศีลเสื่อมทิฏฐินี้เป็นอกุศล เพราะว่ากุศลมันไม่เกิดนั่นเองนะกุศลศีลไม่เกิดเรียกว่าเป็นความเสื่อมศีลกุศลคือสัมมาทิฏฐิไม่เกิดเรียกว่าเสื่อมทิฏฐิเนี่ยนะเพราะพวกนี้เป็นอกุศลเป็นไปกับโทมานัทเพื่อนใครก็ตามที่ถูกความเสื่อมอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ว่าจะเป็นเสื่อมญาติเสื่อมโพอขาเสื่อมเพราะโรคหรือว่าทุศีลหรือว่าสัมมาทิฏฐิปัญญามันหมดไปก็ทําให้เกิดความทุกข์เหมือนกันเลยนะ เพนทุกดังกล่าวนี้เรียกว่าความโศกกิริยาที่โศกความแห้งผากหนะภายในความเกรียมใจความเสียใจที่บอกว่าความโศกโศกก็คือความโศกเนี่ยนะเป็นสภาวะนะเป็นคําตรงๆธรรมดาแต่กิริยาที่โศกก็เป็นอาการของความเศร้าโศกสภาพที่เศร้าโศกแห้งผากในภายในเนี่ยนะตรงที่มันแห้งได้เร็วกวับเพื่อนก็คือลอําคอมั้งนะน้ําลายก็จะกลืนไม่ได้น้ําลายไอทําไมไม่ออ ก, กไม่รู้นะ ทำไมน้ำลายมันจึงลดลงอาจารย์ินิจเวลาเราเครียดเนี่ยนะโทสะเกิดมากๆทํทำไมไม่ค่อยมีน้ำลาย